สนใจนี่มันเป็นใหญ่เป็นประธานของเจตสิกเจตสิกนี้อาศัยใจนี่เกิดขึ้นแต่ว่าเจตสิกมันก็ร้ายเหมือนกันเวลามันเกิดที่ใจมันทำลายได้นะอย่างเช่นราคะโทสะโมหะเนี่ยนะราคะก็โลภะนั่นเองโทสะโมหะอันนี้เหมือนกับสนิม ถ้าจิตเหมือนกับเหล็กนะถ้าจิตเหมือนเหล็กอ่ะไอเจตสิกเหล่านี้มันก็เหมือนกับสนิมมางอยางเกิดเพื่อทำลายอย่างเดียวน่นะแล้วก็เสียหายเลยลใช่ <c oughs> คือม้าอัสดรก็คือม้าผสมกับลาแล้วมันคลอดไม่ได้ทีนี้คลอดไม่ได้อ่ะเพราะแม่มันตัวเล็กไงมันก็ตะกุยท้องแม่มันออกเสร็จ แ, แล้วพอมันตะกุยมากแม้มันร้องกระวนกวายนะเจ้าของฟาร์มก็จะตักหลักสี่หลักแล้วก็หงายท้องแล้วก็ผ่าท้องมันออกเพราะฉะนั้นหมายความว่าได้ลูกตัวหนึ่งแม่ก็ตายตัว อุปมาว่าไอ้ลาบสการะเนี่ยมันฆ่าคนชั่วยอย่างนั้นเลยเห็นไหมลาบยศสรรเสริญชื่อเสียงเนี่ยก็ทาลายแบบนั้นเหมือนกันเหมือนกับขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่เวลาต้นไผ่มันออกขุยหมายถึงว่ากอนั้นเนี่ยเตรียมเผาได้เลยนะเอามาทาฟืนได้เลยหรือว่ากล้วยต้นไหนถ้ามันออกลูกเนี่ยนะต้นนั้นเนี่ยเตรียมตัดมาทำปุ๋ยได้เลย เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันออกลูกมาเป็นตกเครือแล้วนะถ้าลูกมันสุกหมายถึงต้นมันตายด้วยเขาจะไม่เอาไว้หรอกมันเกะกะเพราะไม่มีประโยชน์ต่อไปแที่ปลูกมาทั้งหมดก็รอให้มันออกลูกเท่านั้นเอง <c oughs> ทีนี้ถ้ากล่าวว่าเจตสิกเป็นธรรมชาติที่เกิดในจิตท่านก็ห้ามความปฏิบัติทิ่ <c oughs> ผิดที่ มีเวทนามีสุขเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นสภาพหาเจตนาไม่ได้และมีความเป็นสภาพเที่ยงเป็นต้นไม่ได้คือถ้ากล่าวว่าเจตสิกทั้งหลายบางพวกเข้าใจว่าสุขเวทนานี้เป็นของเที่ยงบางพวกเข้าใจว่าทุกขเวทนาเนี่ยเป็นของเที่ยงหรือบางพวกเข้าใจว่าเวทนาขันเป็นของเที่ยงบางพวกเข้าใจว่าสัญญาขันเป็นของเที่ยงบางพวกก็เข้าใจว่าสังขารขันเนี่ยเป็นของเที่ยง แต่ถ้าพูดว่าเจตสิกเหล่านี้เกิดร่วมกับจิตดับพร้อมกับจิตปับ๊บรัฐที่อันนี้ก็เท่ากับถูกตัดขาดไปเพราะว่าทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้เที่ยงอะไรเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหาความเที่ยงจากเจตสิกได้แต่ที่ไหนถามว่าเพราะอะไรเพราะเจตสิกเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดเนี่ยนะถ้าจิตดับเจตสิกก็ดับไปด้วยเห็น <c oughs> คำคำว่าเจตสิกนี้คง พอได้แต่ถ้ากล่าวถึงตามคำมพี้ยอภิธรมธรมปิดกจิตตุ ป, ปาทการเนี่ยจะเห็นว่าการเอาเจตสิกมากล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกมากเลยเพราะว่าในจิต1นงดวงเนี่ยพระผู้มีพระภาคแสดงไว้ตั้งหลายในมากนะถ้าไม่เรียนเรื่องเจตสิกมาก่อนเนี่ยนะสงสัยจะเวียนหัวมากเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไร ถ้าไม่ได้ศึกษาหลักการของอภิธรรมอภิธรรมมัตสังขะามาบ้างเพราะพุทธพจน์จะขึ้นต้นด้วยสมมติว่ากามาวจรกุศลเนี่ยนะที่เป็นโสมนัญยาณสัมปยุทธอสังขาริกเนี่ยนะก็เท่ากับสอันนี้จิตนะหมายถึงจิตดวงนี้ในขณะที่จิตดวงนี้เกิดประกอบไปด้วยเรียกว่าภาัสะ ปัญจกะคือมีภาษะเวทนาสัญญาเจตนาแล้วก็จิตนะแล้วยังมีฌานอีกนะโดยฌานก็คือมีวิตกวิจารปีติสมนัสเวทนาแล้วก็เอ ก, กขตา นยนะังมีอินทรีย์เช่นศรัทธาอันนะสัททินซีอนนะวิริยินทรีย์สตินซีอ่สมาทินซีปัญญินทรีย์โสมนัสสินซีแล้วก็ชีวิตอินซีอันนะั้นแล้วก็มณีซีอีกตัวนะึง โสมนัสละพูดถึงยังยกตัวอย่างดวงที่หนึ่งยแล้วยังมีพระเอกใช่ศรัทธาพระวิริยะพระสติพระอหิริพระเนี่ยนะหิริพะนะรพะโอตตะพะแล้วก็ยังมีสมาธิพระปัญญาพระเนี่ยนะ ก็จะไล่ไปในลักษณะอย่างนี้ไปเยอะมากสรุปว่ามีห้ากว่าชนิดทีนี้ผู้ที่ไม่ได้เรียนลักษณะว่าเอไม่ได้เรียนเรื่องของเจตสิกมาดีเนี่ยจะแยกไม่ถูกว่ามันมีซ้ําๆกันอยู่นะในนี้เช่นเวทนาโสมนัสคือสิ่งเดียวกันสัตทินรียกับสัทธาภละคือสิ่งเดียวกัน วิริรยะวิญสีกับวิริยะพละสิ่งเดียวกันสตินสีสติพละอันเดียวกันสมาธิสมาธินสีเอกคตาสมาธิพละเนี่ยนะคือสิ่งเดียวกัน น, กะ น, น, นะนนะจิตกับมนินรีนี่สิ่งเดียวกันคือถ้าเรียนมาลักษณะเนี่ยนะประโยชน์ของการเรียนเจตสิกจะลักษณะนี้อันนี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าประโยชน์ของการเรียนเจตสิกมา จะเวลาไปอ่านอภิธรรมไปดกว่าคำไหนอยู่อะไรนี่ก็จะมองออกว่าอันนี้ต่างกันแค่ชื่อนะแต่ว่าตัวคุณลักษณะเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะในดวงเดียวกันเนี่ยพระองค์แสดงอย่างนี้พร้อมกันทั้งหมดเลยถามว่าเหตุผลอะไรเหตุผลลักษณะเท่าที่สังเกตก็คือ ในจิตหนึ่งดวงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เยอะๆหลายหลากหลายแบบเนี้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ว่าธรรมะกลุ่มนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งที่แสดงไว้อีกชุดหนึ่งต่างหากธรรมะกลุ่มนี้ก็แสดงไว้อีกชุดต่างหากเกี่ยวกับเรื่องฌานถ้าเรื่อง อ, องินทรีย์พระองค์จะแสดงไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยจะไม่ให้ขัดกันกับทุกคมภีเพราะฉะนั้นถ้าพูดในลักษณะพิธรรมก็ต้องไม่ขัดกับ ถ้าสู่หรือไม่ขัดกับที่อื่นๆที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จะแสดงให้มันจําแนกแจกแจงไว้กับธรรมะกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับว่าถ้าตัวยานะถ้าถ้าตัวยาแท้ๆการเย็นเจตสิกก็เหมือนกับตัวยาแท้ๆเสร็จแล้วแต่ถ้าไปเรียกแบบนี้เหมือนกับว่าตัวยานี้ไปอยู่กับตรงนี้ชื่ออย่างหนึ่งไปอยู่กับตรงนั้นชื่ออีกอย่างหนึ่งไปอยู่ตรงนี้ก็ชื่ออีกอย่างหนึ่งแต่ว่าตัวเดิมๆแท้ๆมาจากตัวยาตัวเดียวกันเนี่ยนะก็ก็เรียกว่า พูดถึงสิ่งที่มีอยู่ให้มันไม่ขัดแย้งกับสิ่งอื่นๆเอาไว้เพราะว่าการเรียนอภิธรรมเนี่ยเป็นกลุ่มพวกปฏิสัมพิธาพวกนี้มันคิดมากคำนวนว่าถ้าเรียนไม่ดีเนี่ยอาหารของการเรียนอภิธรรมก็คืออะไรรู้ไหมอุทจจะก็หนึ่งผัสสะสองเวทนาสามสัญญาสี่เจตนาห้าจิต ก็ภาษาปัญจากะาก็มีภาษานั่นมีภาษาเป็นต้นบางแห่งปแปล ว, ว่าภาษาปัญจมะกะ น, นี้ไม่ถูกต้องปแปล ว, ว่ามีธรรมะมีภาษาเป็นต้นก็ได้ควรจะมาความหมายเป็นอย่างนี้ถ้าปัญจมกะเนี่ยนั้นเป็นที่ห้าอันนี้ปัญจากะ ก, ก็คือธรรมะห้ามีภาษาจ้าปัทธรรมะนันนี้ไม่ใช่ปัธรมะ อันนี้ต้องอมีภาษะเป็นปัธรมะก็ได้แต่ว่าในกลุ่มปัญจกะไงมีอยู่ห้าธรรมะบางอย่างเอาตัวหน้าเอาตัวหลังมานําก็มีบางทีก็เอาตัวหลังมันมาเป็นชื่อก็มีทนนะ่านน่าจะเรียกว่ามีจิตเป็นที่ห้าใช่ไหมภาษาที่ภาษาที่ก็คือมีภาษาเป็นต้น เจตสิกนี่คงพอได้เลยนะใครไม่เข้าใจมั่งเจตสิกคืออะไรแล้วเจตสิกจริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ครับนี่เพื่อ น, นของจิตอ๋อเพื่อนเพื <c oughs> ่อนของจิตเลยอ่าอัดอัดนี้ไม่มีในอะัตถานนะอันนี้อัดโดยคุณวิราวัน<ช> <c oughs> ต้องทาเชิงอัดด้วยใช่ไหมนะแปล ว, ว่าสิ่งที่เกิดในจิตสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเนะหม เจตสิกาก็แปลว่าสิ่งที่อาศัยจิตก็ได้สิ่งที่เกิดร่วมกับจิตไม่ใช่ตัวจิตนะเพราะจิตเนี่ยมีถ้าว่าโดยโดยลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวนะที่เรียกว่าวิเศษลักษณะสภาวะธรรมทั้งหลายว่าโดยรวมๆแล้วมีสภาวะธรรมทั้งหมดอยู่72ลักษณะเนี่ยนะสภาวะธรรมทางธรรมะนี่มีอยู่72 จะมีกล่าวพิสดารในประเทศอื่นแต่นี่จะยกมาพอเป็นตัวอย่างว่าจิตนี่นับหนึ่งเพราะจิตมันจะเกิดร่วมกับจะเรียกจิตนั้นน่ะนะวิจิตพิสดารขนาดไหนมีลักษณะเดียวคือรู้อารมณ์เป็นลักษณะเนี่ยนะรู้แจ้งอารมณ์เท่านั้นแหละมันจะมันจะจากคูวิ ญ, ญญาณจิตไล่ไปจนถึงโลกุตระจิตก็คือรู้อารมณ์ว่าโดยลักษณะมีอย่างเดียวแต่ถ้าเจตสิก มีห้าลักษณะก็ที่เรียกว่าแบ่งเป็นกลุ่มเช่นอกุศลเจตสิก14บส่อัญญสมนาเจตสิก13สโสพณะสาธารณอีก19วีระตีสอัอปมัญญาสองปัญญาหนึ่งเนี่ยนก็ ทั้งหมดนี้มีลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวหมดเลยจะไม่มีใครมีลักษณะเหมือนกันจะมีลักษณะเป็นอย่าง ๆ, ๆ, ๆอย่างๆอย่างๆไปเงี้นะถ้ารูปรูปทั้งหมดที่มีสภาวะเป็นของตัวเองมีอยู่18รูปเด่นนะสิรูปก็คือมหาพูต4มหาภูตรูป4ี่ภาษาทรูป5อนันนี้วิสยะ รูปเอาออกวิสัย4วิสัย4เจ็ดเอาออกสามเหลือสนะี่นภาวะรูปสองนะไปได้เท่าไหร่แล้วหะทยะอาหารเานะครบเรียงครบสิบแปดยงัง สิบภาวะสองละเออชีวิตอีกหนึ่งอะไรอีกหนึ่งสิบแปดพอดีแล้วไนงะแล้วก็นิพพานมีหนึ่งนิพพานนี่นับหนึ่งมันก็เลยเรียกว่าสภาวะธรรมเจ็ดสิบสอง 72. <c oughs> อันนี้หมายความว่าสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวเลยนะแต่ว่าในตัวนี้บางทีขยายไปเป็นสามก็มียกตัวอย่างเช่นเวทนาเจตสิกอันเดียวเนี่ยนะขยายไปเป็นเวทนาห้าอย่างเง้ย น, นะโดยอยนินทรี่ยนะแต่ว่าว่าโดยรวมๆแล้วมีอยู่เท่านี้เพรา ะ, ะ น, นเรียนอภิธรรมหรือเรียนธรรมะเนี่ยนะคือเอาธรรมะเจ็ดิบสออย่างเนี่ยมาหมุนกลับไปกลับมาด้วยลักษณะของปัจจัยต่างๆอ่ะ นี่แหละคือพี่ทมละแต่ถ้ารู้ว่าเบื้องหลังลึกๆจริงๆแล้วมีอยู่เจ็สิบสองชนิดนี่แหละท<า>ีนี้ก็เอามาจัดเข้ากลุ่มเข้าหมวดเข้าหมู่เข้าก็เป็นอย่างนี้เลยคุณเคยไปฟังเวธนานุปัสนาวังหรือเปล่าอ๋อยังไม่ทันได้ฟังนะโหลาหลังมากรุ่นแรกนะี่ลาหลังที่สุดเลยใช่ลาวันนี้รุ่นแรกที่สุดเลย จะถอยหลังกับเพื่อนนะห้องหลังก็แฝงไปหมดแล้วเวทนาเก้ายังไม่ทันรู้อืมดีนะไม่ได้สายนะดีดีดีเวทนาเก้าก็มีเรียกว่าสุขทุกขเบขาใช่ไหมสุขก็แบ่งออกเป็นสองเมียมิตรไม่เมียมิตรทุกขก็เมียมิตรไม่เมียมิตรอุเบคาเมียมิตรไม่เมียมิตรก็เป็นเก้าอย่างนี้แหละก็ไม่เป็นไรถามคุณนภาเอาตอนปิดเรียนก็ได้อืม ถามได้เกือบตอบได้เกือบทั้งห้องอล้ะนไหมทีนี้มาพูดถึงรูปบ้างนะรูปธรรมชาติที่ชื่อว่ารูปพระธารมว่าแปรผันอธิบายว่ารูปย่อมถึงวิการวิการะนะี่คือทำให้แปลกกันนะหรือทำให้เสียหายอะ่ะหมายถึงว่ารูปถ้าจะเสียหายก็เสียหายเพราะวิโรธที่ปัจจัยวิโรธที่ปัจจัยคือปัจจัยที่เป็นปฏิปัก มีความเย็นและความร้อนเป็นต้นคำว่ารูปในที่นี้เน้นรูปที่มีชีวิตเนี่ยนะเน้นเน้นสิ่งที่มีชีวิตว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายอะ่ะถ้าจะตายเนี่ยตายเพราะอะไรตายเพราะเย็นบ้างตายเพราะร้อนบ้างตายเพราะหิวบ้างตายเพราะกระหายบ้างสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดบ้างนะอันนี้พูดถึงเหตุแห่งความตายะนะผลคาว่ารูปแปลว่าแปรผันหรือ ย่อมถึงวิการด้วยวิโรที่ปัจจัยหมายถึงว่าตัวมันเองจะเสียหายเพราะเย็นร้อนเป็นต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเนี่ยนะสลับกันไปก็แสดงว่าตายเร็วถ้าเย็นเกินไปก็ตายอีกร้อนเกินไปก็ตายอีกหิวเกินไปก็ตายอีกอิ่มเกินไปอ่ะ <c oughs> อาหารไม่ย่อยตายอีกนะตายหมดเลยหรืออันวิโรที่ปัจจัยมีเย็นและร้อนเป็นต้นใหถึงวิการเนี่ยนะ เพราะเย็นเพราะร้อนนี่แหละมันทำให้ตายแบบนั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ารูปย่อมแปรผันเพราะเย็นบ้างย่อมแปรผันเพราะร้อนบ้างนี่นนะความเกิดขึ้นแห่งรูปที่ไม่เหมือนกันเพราะการประชมแห่งวิโรธที่ปัจจัยมีเย็นเป็นต้นชื่อว่าความแปรผันเนี่ย น, นะรู ป, ปณะหมายคือว่ามันได้อาศัยปัจจัยที่แปลกมันก็เลยเสียหายเลยนะได้ปัจจัยที่มันมันรองรับไม่ได้มันก็เลยแตกทาลายไป แลพูดเด็กง่ายๆก็คือว่าเหตุอะไรทำให้ตายได้บ้างะนะว่าง่ายๆเพราะคำว่ารูปเน้นรูปที่มีชีวิตรูปที่มีชีวิตเนี่ยเสียหายได้เพราะอะไรหรือตายได้เพราะอะไรบ้างนั้นรูปคือธรรมชาติที่แปรผันมีการทวงว่าถ้าเช่นนั้นอรูปปะธรรมทั้งหลายก็เรียกว่ารูปสิถ้าถ้าเน้นไปที่ว่าแปรผันอย่างเดียวนะเพราะอะไรเพราะอรูปมันก็แปรผันเหมือนกัน ตอบว่าอารูปประธรรมไม่ควรเรียกว่ารูปอารูปหมายถึงน้ำเมือนนะน้ำเนี่ยไม่ควรเรียกว่ารูปเพราะท่านอาจารย์ประสงค์เอาความแปรผันที่ปรากฏด้วยอํานาจแห่งศัพท์วิโรธที่ปัจจัยมีเย็นเป็นต้นนั่นเองเนี่ย น, นะคือไอคําว่าแปรผันในที่นี้ว่าต้องเน้นว่าแปรผันอ่ะนะแปลว่าเสียหายที่เกิดจากความเย็นเสียหายที่เกิดจากความร้อนเป็นต้นน่ะนะสิ่งนี้จึงจะเรียกว่ารูปถ้าจะกล่าวว่าแปรผันอะ่ะทั้ง ทั้งหมดอ่ะนะทั้งนามทั้งรูปมันแปรผันทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้อ่ะประสงค์เอาสิ่งที่แปรผันเพราะเย็นสิ่งที่แปรผันเพราะร้อนเป็นต้นจึงเรียกว่าว่ารูปเมื่อจะถือเอาเนื้อความอื่นจากนี้ความแปรผันก็จะสําเร็จด้วยคําอันไม่ต่างกันว่ารูปปฏิคือย่อมแปรผันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรด้วยทราบว่ามีสีตะเป็นต้นถ้าเน้นแค่ไม่เที่ยงให้เฉยเนี่ยนะปั้นสีตะอุณหะหมายว่าเย็นร้อน หิวกระหายสัมผัสที่เกิดจากเหลียบยุงลมแดดสัตว์เสือครามทั้งหลายก็ไม่จําเป็นต้องพูดถึงถ้าแปลว่าแปลว่าไม่เที่ยงเฉยเฉยแต่หมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่แตกทำลายเสียหายไปเพราะเย็นเพราะร้อนเพราะหิวหรือสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดนะเน้นเอาสิ่งเหล่านี้ที่ที่เสียหายเพราะปัจจัยเหล่านี้สิ่งนั้นเรียกว่าว่ารูป ก็ทราบว่าสีตะเป็นต้นนั้นมีประโยชน์เพื่อให้รู้ถึงความแปรผันแห่งรูปอันวิโรธที่ปัจจัยมีเย็นเป็นต้นถูกต้องแล้วปรากฏชัดกว่าเพราะฉะนั้นความแปรผันเช่นนั้นนั่นแหละท่านอาจารย์ประสงค์เอาว่ารูปปติดังนี้